นะโมตัสสะพังกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังกวาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอัปะระงันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยเสียงและกล่าวขอเจริญพรนโมพุทธายะ มายังอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านนะวันนี้ได้มามีโอกาสมาพูดเรื่องธรรมะให้พวกเราทั้งหลายฟังพอนำเอาเป็นอุบายไปปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจา้าสอนออกจากกายกับใจนี่แหละ กายกับใจก็นั่งอยู่นี่ไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนกายดีว่าใจาดีใจดีเท่านี้ทารวมอยู่เท่านี้ทำกายว่าใจาใจก็คือขันหานี่แหละนั่งอยู่นี่ไม่ได้สอนเราก็มาหลงกลายว่าใจาใจนี่แหละพระองค์จึงให้สแสดงให้ฟังอื ลงว่าเป็นเราเป็นของของเราเองเพราะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่นยขันหยาบเนี่ยมันเป็นก่อนธาตุก่อนทำมันเป็นทำไม่ธาตุเขามาตั้งชื่อว่าเราเฉยๆคนงโง่ก็เลยว่าเป็นเราจริงๆงโง่ไม่เลยเนี่ยเอ้ยว่าเราจริงๆหเห็นว่าเป็นเราจริงๆเห็นว่าเป็นเขาจริงๆเหละลุงเราอยู่อย่างนี้ ยิ่งให้แสดงให้ฟังว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถ้ามายึดมั่นที่มันมนาเป็นเราเป็นของของเราก็เป็นทุกข์ทานเองเรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ท่านถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็ดับทุกข์ได้ท่านใครแต่ว่ายังไงมันก็ไม่รู้เรื่องทรรมชาดิ แต่เราไปยึดมั่นทือมั่นว่าเป็นเราเป็นขององเรามันก็เลยมีอารมณ์ขึ้นมาเนั้นวันนี้จะพูดถึงขันละเอียดนะอันเมื่อกี้นี่พูดถึงขันหยาบนะกายว่าจจใ จ, ใ จ, ใจที่นั่งอยู่เนี่ยขันละเอียดหราจะขันละเอียดไหมหลังเคยเห็นมันไหม <laughs> โอเห็นแต่ขันหยาบๆยาบขันเน่าขันเหม็นนี่นั่งอยู่เนี่ <laughs> ขั้นละเอียดก็คือลมหายใจน ะ, ะลมหายใจนี่แหละเรียกว่ากายในมันอาศัยอยู่ในกายหยาดนี่เองลมหายใจก็อยู่ในกายหยาดนี่แหละหเห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจนี่เป็นกายส่วนหนึ่งของกายหยาดนี่เองอย่างว่ากายละเอียดลมหายใจคือกายใน จิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจกายกับใจนี่เขาก็เรียกว่าลูกธรรมนามธรรมลูกธรรมนามธรรมนี่ก็เรียกว่าขันห้านะมันซ้อนอยู่ในขันหยาขันห้าบางทีเขาก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าตัวเรานี่แหละตัวเราแท้แท ไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวเราเนี่เราก็คือลมหายใจนี่เองเราก็คือวิญญาณลมหายใจพระองค์เรียกว่าวินมันหมุนเข้าหมุนออกอย่างี้วินแปลว่าหมุนเคยวินไหมละ่ะเวียนยหัวไหมฮะ <laughs> หมุน กิจอาศัยในลมก็เรียกใช้กันสองอันว่ากิจ ก, ก็คือญาณวินกับญาณก็คือเนี้ยแหละเรียกว่าวิน ญ, ญาณคือตัวเราแท้ๆนี่แหละจะพูดเรื่องกายในทีน่นี้คือวิน ญ, ญาณคือลมหายใจพระ อ, องค์เรียกว่าอาณาปาณสติวันนี้จะพูดเรื่องอาณาปานสติให้ฟัง พอฟังออกไหมล่ะฮะอ่าพระพุทธองค์ตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติเองอาณาปานสติภาวนานวันนี้เอาเรื่องนี้วันนี้เรื่องอาณาก็แปลว่าลมหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออก สติก็คือความละลึกรู้และเลือกได้และลึกรู้นี่ท่านเรียกเส ก, กันว่าอาณาปานสติให้มีสติและลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเกิดตายเกิดดับอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนะ นี่นี่ท่านเรียกว่าจเจริญให้มากอาณาปานรสติเมื่อบุคคลได้เจริญให้มากทำให้มากแล้วทำให้ได้เกโตวิมุตคือจิตหลุดพ้นจากขันหาน่นนะเกโตแปลว่าจิต วิมุตต์แปลว่าหลุดพน้นหลุดพน้นจากขันห้าขันห้ า, หารู้จักไหมแหละทีนี้พูดให้ฟังเรื่องกายในคือลมหายใจจิตอาศัยลมเรียกว่าใจกายกับใจเรียกว่าขันห้าได้ยินไหมบุคคลใดเจริญทำไห้มากแล้วนั้นย่อมได้เจโตวิมุตต ปัญญาเวมุดกิจหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้เน่ง่ายๆเท่านี้นะพระนิพพานพากันทําอะไรอยู่ล่ะกิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ทิฏฐธรรมแปลว่า ปัจจุบันนี้ไม่ใช่วันพวกนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้วันพวกนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่ขณะนี้เลยจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสาวัจจิเล์ในขณะนี้เลยขณะจิตเดียวนี่เลยง่ายถึงขนาดนี้นะแต่พวกเราไม่รู้จักก็เลยนั่ง หายใจทิ้งอยู่ตลอดวันตลอดคืนหน้าสงสารไม่เคยฟังพระเทศนี่มันมีเท่านี้อานาปานทติบุคคลใดเจริญทําให้มากแล้วยอมได้ไมละ่ะยอมได้เจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์จิตดุทพนในจกนักรนาในทิฏฐธรรมนี้นะต่อไปอานาปานทติบุคคลใดเจริญทําให้มากแล้วยอมได้ สติประฐานสีน่ง่ายๆในี่สติประธานสี่ผู้ใดเมื่อสติประธานสี่เจริญให้มากทำให้มากแล้วย่อมได้โพดชงเจตโพดชงเจตเมื่อบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้วิชาและวิมุต กิตหลุดพ้นจากหน้าสิน้นอาสาวกิเลสท่านเองลมหายใจอันเดียวนี่แหละลมหายใจจังเป็นขั้วใหญ่ของธรรมเคยเห็นขั้วไหมเห็นขั้วผ ล, ลไม้ไหมขั้วใหญ่อืมเคยเห็นไหมล่ะลำใหญ่มันก็เกิดจากขั้วมันนีล่ะหลาหลายหมากหลาย ก็อยู่ในขั่วเดียวนี่ขั่วใหญ่ของธรรมเข้าใจไหมอืมั้วใหญ่ของธรรมนั่งอยู่นี่ทาไมมีลมหายใจมานั่งอยู่ได้ไหมฮะทาไมไม่ได้ฮึทําไมไม่ได้ละ่ะโอ้ยวิญญาณไม่อยู่เลยนะลมหายใจคือวิญญาณไหมวิญญาณไม่อยู่วิญญาณไม่มีก็ตายเท่า น, นั้นนะ ยังเรียกว่าขั้วใหญ่ของธรรมคำว่าขั้วก็คือพวงรู้จักพวงไหมพวงมากไม้นี่พวงผลไม้ผลไม้ทั้งหลายเกิดจากขั้วมันนี่แหละถ้าไม่มีขั้วมันก็ไม่มีเกิดนี่นี่ขั้วใหญ่ของธรรมอาจจะอธิบายให้ฟังเป็นดันตอนไปท่นี้อ่าเจริญให้มาก ทำแม้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์กิตหลุดพ้นจากขณาอันที่แรกอ่าอานาปานสติก็คือแปลตายตัวอยู่แล้วอานาแปลว่าลมหายใจเข้าปานะแปลว่าหายใจออกสติแปวะลว่าระลึกรู้นี่ เอาสติมารรยลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนี้เอาไปมาลมหายใจก็รวมเป็นอันเดียวกันกับจิตเป็นหนึ่งเดียวจิตก็ตั้งมั่นเป็นธรรมาทิก็จะเกิดพอลมหายใจ ละเอียดเข้าเท่านั้นเองก็จะเกิดปีติสุขเอกรดจัดตายลมขึ้นมาเท่านั้นล ม, ม, มละเอียดเข้าก็เรียวกว่ากายละหู่กายละหู่กิตความนึกคิดปรุงแต่งคือกิตก็ละหงลงต่อไปก็กายระงับลมหายใจระงับดับลงกิต ความคิดก็ดับลงเหลือตั้งแต่จิตแท้ใจเดิมตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รู้อยู่เฉยเฉก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าได้เกโต ว, วิมุตเข้าใจไหมลมหายใจคือขันห้าเมื่อลมหายใจดับลง จิตกับใจก็คือขั้นห้าขันละเอียดดับลงจิตจาข้าขั้นห้าออกจากใจได้ใจก็หลุดพ้นจากขั้นห้าก็เรียกว่าเจโตวิมุตย่อมได้เจโตวิมุตเข้าใจไหมเราก็เห็นวิมุตได้ชมวิมุตถึงวิมุตเราก็ได้ดื่มรส พัดไม่ผ่านไกลไหล่ะฮะฮะห้ากันทำอะไรอยู่ร่มหายใจก็ไม่อยู่ดูไปดูมาไม่ให้มันหนีจากกันเนยลยร่มหายใจเป็นหลักสติเป็นเชือกจิตเหมือนกับลิงกับข้างเอาเชือกผูกจิตไว้กับหลักใครได้ไหล่ะจิตวิ่งไปไหนไม่ได้มันก็ หม้อเากับลมก็เรียกว่าจิตรวมรวมเป็นอันเดียวกันกับลมดูไปดูมาลมหายใจระงับดับลงขันห้าดับลงก็เหลือตั้งแต่จิตเป็นพุลูลูลู ล, ลูนั่นก็เรียกว่าเจโตวิมุตจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าคือลมหายใจเข้าใจไหมเมื่อลมหายใจระงับดับลง ตัวรู้อยู่ข้างในตัววิญญาณเราก็รู้อ๋อลมหายอยู่ดีๆลมก็หายไปกายอยาบก็ไม่มีเราก็เกิดปัญญาวิมุตขึ้นมาเท่านั้นเองอ๋อแ่กวนแล้วนึกว่าลมหายใจก็เป็นขันห้าขันละเอีย กายกับใจเนี่ยก็คือขันห้าขันหยาบเมื่อจิตลมหายใจลำงับดับลงลมหายเนะี่ยกายไม่มีกายหยาบก็ไม่มีกายอะไรก็มีแต่กว่าเราสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนมีอยู่ในกายนีมไม่มี เห็นแต่ธรรมชาติว่าข้รอจั ก, กรวาลอยู่ไม่มีอะไรเลยในโลกเนี่ยเอโกธรรมโมไม่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านี้สัตว์สารสิ่งต้นไม้ภูเขาโลกาดับลงไปเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกันหมดกายกับใจก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกันหมดตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีฮ แล้วจึงเกิดปัญญาอ๋อแต่ก่อนขันห้าหยับยาบนั่ง อ, อยู่นี่มันไปไหนเวลาลมให้ใจดับลงกายหยากก บ, ยบก็ดับขันหยาบก็ดับขันละียับก็ดับแต่ก่อนนึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวต้นอยู่ในนี่ไม่มีไม่มีอ่า ไม่รู้จะมาเกิดเอาอะไรอีกเกิดแล้วก็ดับลงไปไม่มีเอโกธรร ม, มมีมธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกเป็นศูญย์จักรเป็นอนัตจาว่างสว่างพองไัอยู่ไห น, นพระองค์ยังเห็นอาเมตตาขุดเห็นธรรมชาติอันหนึง่งเป็นธาตุโล่โล่โล่โล่โล่ ตายไม่เป็นคำนวณไม่ได้จึงเรียกว่าอามิตตาพุทธอะไรหยุดหมดนะถ้าจิตลงถึงนี่แล้วกิเลสหยุดหมดจนผู้ไรห ย, ยุดหมดอามิตตาพุทธเนี่ยมันหยุดหมดเลย อ, อามิตาตาแปลว่าคำนวณไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดอนันตละการก็มีอันหนึง่งมี ความสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติอย่อยางนั้นนะท่านก็เรียกว่าอามิตตาภาแสงสว่างเป็นธรรมชาติอยู่คํานวณไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่แม้แสงไฟแสงอะไรนะแสงจันทร์แสงอาทิตย์นะแสงอันนั้นแสงจิตแสงใจแสงธรรมก็เรียกาอามิตตาภาอาภาแรียว่าแสงสว่างคํานวณไม่ได้ ปะมาณไม่มีส่องพวกนี้ทะลุหมดแสงอั น, นันทะลุหมดทะลุย่างไงอย่างนี้ก็ทะลุแล้วไงเป็นทังขันพุงแกนกันขึ้นไม่มีตัวตัวเด็กคนทะลุหมดแล้วแต่ก่อนเราถึงงมากหลงว่าเป็นเทดานเป็นอะไรอะไรเยเมื่อไปถึงก น, นั้นเทวดาไม่มีแล้วอ้ า, อาวิชาดับนั่นนั่นแหละ สิ้นอาสะกิเลตในทนิฏฐธรรมนี้เข้าใจไหมกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับหมดเลยตัวอวิชชาเพราะว่าแสงธรรมนี้ส่องทะลุถึงม่านอาวิชชาอาวิชชาดับอวิชชาตาเ ว, วะดับส้ำรอบไม่มีเหลืออะไรก็ดับหมด เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวราบเหมือนหน้ากองชัเน่ยอ่าเนี่ยก็ได้ประโยคที่หนึ่งแล้วจเจริญให้มากทำให้มากย่อมได้เกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันหา้าสิ้นอาสาวากิเลสเข้าสู่พระนิพพานเลยเชื่อไหมล่ะฮะพระองค์ตัดไว้หลวงตาก็ไปทำแล้วเห็นแล้ว เชื่อแล้วไม่มีอะไรจะหาไปอีกจะเกิดเอาอีกเงินทองจะหาไปเอาอะไรอีกอบ้านช่องรถเรือจะไปจิตนี่เขามาอะไรอีกขี่ไม่นานก็ตายอยากนี้ไปให้ร้านก็ร้านเอาไม่ได้ให้ลูกลูกก็ไม่ได้มีแต่ข้าม่มีอย่างมีแต่คนตายนี้จจ์เข้าใจไหมเอาไปได้ไหมล่ะค้าเรือหาดใหญ่ใหฮะ ให้หลานหลานเอาไปไม่ได้ให้เหลนเขาไปได้ไหมไม่แต่ขบไมา่ีอย่างใตยนี้จากทั้งนั้นอย่าไปหวังเลยของไม่มีพวกนั้นนะน้องายเนี่ย่าของไม่มีพวกเราคนกิเลสหนานะดันหายอยากจึงมองเห็นว่ามันมีใช่ไหมละ่ะมีไหม มันเป็นธรรมชาิเสื่อมสลายมาไล่สูน์ลงไปสู่ธาตุเดิมของมันส่วนที่เป็นดินก็เปียเป็นดินเป็นน้าเป็นน้าลมไฟไปแม้แต่กายของเราก็เหมือนกันส่วนข้นแข็งนี่ก็เสื่อมสลายลงไปเป็นดินเผาลงไปก็เป็นเถ้าเป็นฝุ่นเป็นดินไปน้าอยู่ในนี่แล้วละเหงืไปเป็นละอองไอ้น้ำไปเป็นหมอกเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนเก่า ความร้อนอยู่ในนี่ก่อนเลื่อนให้เขาไปสู่พลังแสงอาทิตย์ลมหายใจที่หมุนไปหมุนมานี่ก็ไปเป็นเห็นไหมเนี่ยนี่ธาตุเดิมของมันไปสู่ธาตุเก่าของมันดินน้าลมไฟก็เสื่อมถลายมาลายสู์ไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นไม่มีใครเอา ไว้ได้สักคนเอาไว้ได้ไหมล่ะฮะมีแต่ขัมมานีอย่างเท่านั้นตายนิจจ์อย่างเดียวออันนี้ประโยคแรกสิ้นอาสาวกิในทิฏฐธรรมนี้ทิฏฐธรรมแปลว่าขาะนี้ขณะจิตเดียวนี้เองตามมันลงไปนะก็เรียกว่ามักสมั่งคีแล้วเนี่ยสิ้นสมาธิปัญญามาไปชุมกัน ขณะจิตเดียวเรียกว่ามัคสมังคีเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นเป็นดามความเป็นจริงขึ้นมาอ๋อขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีไม่เลยธรรมาชาติหนึ่งเดียวอ๋อนี่ก็ไม่กับมาเกิดอิตเพราะมาเกิดเอาทำไมเกิดเอาของไม่มีหลงว่ามันมี มันไม่มีนี่จะไม่หลงอะไรอีกเพระองค์แสดงให้ฟังแล้วาศาสตร์สนาเรียนมันแต่จะรู้ไม่ได้เหมืนอนพระพุทธเจ้านะไม่มีพระนิพพานนะมีแต่ศาสตร์สนาพุทธเท่านั้นทางเดินเขาสู่พระนิพพานก็คืนมีลมหายใจนี่แหละในลมหายใจมันก็มีมรรคแปดอยู่นี่ศีล ส, สมาธิอยู่นี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะเนี่ย อ่านี่อานาปานสติจเจริญทำไม่มากแล้วเ น, นี่ยย่อมได้สติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีนก็อยู่ในลมหายใจนี่เองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกิตในกิตเห็นธรรมในธรรม มันไม่อยู่ที่อื่นก็อยู่ในลมหายใจนี่แหล ะ, จะเจริญให้มากทำให้ทำให้มากแล้วย่อมได้สติปัฏฐานสีคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายก็คือลมหายใจนี่แหละคือกายส่วนหนึ่งี่กายใหญ่ยังนี่ท่านเรียกมหาภูตะรูปรูปใหญ่ดินน้ำลมไฟ เข้าใจไหมนี่ยนั่งอย่างนี้แต่อุปธาะลูกคือลูกภายในคือลมหายใจเข้าใจบ้างไหมลมหายใจมันอาศัยอยู่ในลูกใหญ่นี่เรียกอุปทาะลูกอันนี้มหาภูตาลูกนี่เลยเรียกว่ากายในกายลมหายใจจึงเรียกว่ากาย ในกายละเอียดกายที่เกิดจากกายอยากมหาภูตะลูกนี่เองอันนี้เรียกอุปัฏฐายลูกยี่สิบแปดยี่สีอาศัยอยู่ในมหาภูตะลูกสีนี่เองลมหายใจก็อยู่ในกายเรานี่เองยังเห็นมันวิ่งเข้าไปมันเห็นอยู่ในกายเราก็เรียกว่าเห็นกายในกายเข้าใจไหมหรืออยากกายในกายไหมไปห้อยเคลมหายใจนั่นเอง นะกายในกายเนี่ยในกายในกายนี่ก็แบ่งออกเป็นสิบหกหมวดแยกออกเป็นหมวดละสี่ข้อสี่ข้อแยกออกเป็นสี่หมวดหมวดละสี่ข้อรวมเป็นสิบหกแล้วไม้ใจจะประมวลลงไป รวมเป็นอยู่สิบหกขั้นด้วยกันแบ่งออกเป็นสี่หมวดหมวดละสี่ข้อหมวดที่หนึ่งเรียกว่าเห็นกายในกายพอวางออกไหมเพื่อเห็นลมหายใจนี่แหละคือกายในกายมีอยู่สี่ข้อที่คาว่าอัจฉริชนโตนี่ ที่คังแปลว่ายาวเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวที่คังวาอัต ส, สั้นโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเวลาเราภาวนาเราก็เอาลมหายใจเข้ายาวออกยาวชักยี่สิบเอาลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นยี่สิบแล้วก็ดับลมหายใจลง กีดก็ตั้งมันเป็นสมาธิเธอง่ายๆนี่ทีข้างว่าอัดสะสั้งโตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ทีข้างว่ารัดสั่งว่าอัดสะสั้งโตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้เฉพาะลมนะเฉพาะนะได้ยินไหม ตอนดูอย่างนี้จะไปคิดถึงลูกถึงหลานได้ไหมฮะไม่ได้เขาให้หรูกเฉพาะเฉพาะรูอย่างไงเฉพาะเนี่ยจำเพาะลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี่เวลาดูลมสั้นเวลาดูลมหายใจเข้ายาว ก, ก็รู้เฉพาะลมหายใจเข้ายาวออกอยาวทีขังวาอัศเซนโต้ลัดสังว่าอัศเซนโตอื้สัพพกายังปฏิสังวเวทีนี่ ข้อที่สามหมวดที่หนึ่งสัพพะกายังสัพพะแต่ทั้งหลายทั้งปวงรู้พร้องเฉพาะเทิ้งกายทั้งปวงนะเมื่อหายใจเขา้าหายใจออกก็ให้มีสติและเลืกรู้ว่าโอ้กายทั้งปวงมันรวมอยู่ที่ลมหายใจนี่เองเขา้าใจไ้มล่ะกายหยาบกายละเอียดกายสุขุมกายปณิด กายนอกกายในกายนอกก็นั่งอยู่นี่กายในก็คือลมหายใจลมละเอียดลมสุขุมลมประณีตจนลมระงับกันไปนั่นสัพพกาหยั่งปฏิสังเวทีรู้พร้อมสัพพะแปลว่ารู้กายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจหยาบละเอียดสุขุมประณีต กายนอกเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเข้าใจไหมกายในเนี่ยสัพพกายยังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซส่งกายทั้งปวงปัดจมพยังกายยสังขารหลังทำกายสังขารให้ลำรับเราก็อ่านเจอใช่นี้ท่านเขียนไว้ย่อ ในสติปัฏฐานสี่ทำกายสังขารให้ลำนับกายสังขารหมายถึงอะไรละ่ะก็หมายถึงลมหายใจเข้าเรียกว่าอัษสะษลมหายใจออกเรียกว่าปัดสะปัดสัษอัดสษปัดสัษเนี่คือลมหายใจนี่มันจะเอาออกซิเจนเอาลมหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเข้าไปปุงแต่ง ไปฟอกธาตุฟอกขันขับไล่อากาศเสียออกมาอากาศเสียมันจะเป็นฟอกเลือดของเราธาตุขันของเราจากโลหิต ด, ดําก็จะเป็นโลหิตแดงเซลที่มันเก่าๆตายไปเซลลใหม่ก็เกิดขึ้นเนี่ไงกายมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ทุกลมให้ใจเขาออกเรียกว่าปัดสัมพยังกายย่าสังขลังทำกายสังขารให้ละงับดับลงก็พูดง่ายก็คือทำลมหายใจให้ดับลงนั่นเองได้ยินไหมละ่ะเมื่อลมหายใจดับลงอ่ก็คงเหนือแต่ความรู้รูู้ ร, รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้น นี่เนี่ยตัวผู้รู้เนี่หยเรียกว่าพู้โธแล้วก็เห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นผู้รู้รู้รูท่านก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินี่มวดที่หนึ่งเห็นกายในกายไม่มีมีสัตว์บุคคลไหมล่ะมีตัวมีตนไหมลมหายใจมีตัวมีตนไหมมีสัตว์มีคนไหม มีเรามีเขาไหมก็เห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวดนเราเขาแต่ก่อนเราสงว่าลมให้ใจนี่นะี่ยคือสัตว์คือคนคือตัวคือตน ค, ค, คือเราคือเขาใช่ไหมวิญญาณ น, นี่แหละคือตัวเราเพราะน่ะว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็เห็น กายนี้ก็มีอยู่นั่นแต่ว่าเพียงสังขารมาปรุงแต่งกันขึ้นเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจึงไม่มีปัญหาและทิฏฐิแฝงอยู่ในจิตในใจเราเราก็จะรับอารมณ์ดับโลก นี่ยคือขันห้าลงได้อ่าก็จะถอนจะดับอภิชาโทมานัสสังออกจากโลกจะได้เท่านั้นเองธรรมะโลกเนี่ยก็คือขันห้านี่เองกามมะโลกก็นั่งอยู่ในกรรมมะโลกมันมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้เขา้าใจไหมละ่ะถอนความยินดียินร้ายความโลภความโกรธออกจาก โลกเสียได้โลกมันมีอยู่สามกามมรโลกลูกโลกอาลูกโลกถอนความยินดียินลายออกจากโลกเสียได้เพราะว่ารู้ว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขายิ่งถอนความยินดียินลายอาพิชชาโทมานัสสัง ออกจากโลกเสียได้โลกก็มีสามอย่างกามมาโลกลูปโลกอันลูปโลกนี่ยโลกสามเข้าใจั้มลูปโลกคืออะไรแหมนักภาวนาไม่รู้รูปโลกเหรอฮะูปโลกก็ลูปชาน ชานก็เป็นขันอันสุขุมยังไงขันหยาบเนี่ยขันละเอียดคลมมห้ใจขันสุขุมคือลูกชานขันอันประนีตคืออาลูกชานขันมันซ้อนกันอยู่สี่ขันเนี่ยเข้าใจรู้ไหมล่ะขันสุขุมแล้วก็ดับแล้วก็พูดได้สมาธิลูกชานก็ไปติดอยู่ในลูกชานนั่นแหละ ก็ไปเกิดพมันโลกเท่านั้นเพราะเห็นว่าเรามีอยู่ในนั้นอลูกชานเป็นเราเห็นชานเป็นตนเห็นตนเป็นชานเห็นชานมีในตนตนมีใชานเราจึงติดอยู่ในยึดมั่นถือมั่นในลูกชานว่าเป็นเราเป็นของของเราอือเขาเรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์จึงมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ เมื่อมารู้ว่าโลกทั้งสามถอนความยินดียินรายออกจากโลกเสียได้โลกสารอย่างนียการ ม, มาโลกรูปโลกกรูปโล ก, โล ก, โลกจึงไม่มีความยินดียินไยแม้มันจะเป็นอะไรมาเกิดดับอย่างไงมันก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นจึงถอนความยินดียินรายออกกิจก็หลุดพ้นจากโลกทั้งสามได้ ก็เข้าสู่พระนิพพานแน่ง่ายๆนี่นะสติปัฏฐานสี่ที่นี่เห็นเวทนาในเวทนาอ่าเห็นเวทนาเห็นกายในกายเข้าใจแล้วนะกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนล้วเขาแล้วจึงถอนความยินดียินร้ายออกจากกายนี่เสียได้แต่ก่อนเราลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่ เมื่อมาเห็นแล้วไม่มีตัวตนเราเขยอยนี่เด็กยังถอนความยินดียินไลออกจากนี้ได้ไม่กลับมาเกิดอีกอ่ า, อาที่นี่เห็นเวทนาในเวทนาเวทนานุเวทน า, าเวทนานี่คืออารมณ์อารมณ์ของจิตเวทนา เห็นเวทนาในเวทนานเห็นเวทนานอกเวทนาในเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเห็นหมดเลยเวทนานุ ป, ปัสสนาปฏิปทานเห็นเวทนาในเวทนาเห็นยังไงเราก็เห็นลมหายใจเหมือนเดิมเข้าใจไหม ดูลมหายใจลงมาถ้ามันไม่สงบหมวดแรกนี่ก็ดูต่อไปเองดูต่อไปก็จะเห็นลมหายใจเข า, เ ร, า, า, เ, า, าขเรียกว่าเวทนาก็คือปิติสุกนี่แหละเรียกว่าเวทนาปีติสุกเรียกว่าเวทนาเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆดับลมหายใจไม่ได้เมื่อกี้ถ้าดับลมหายใจได้ก็ นอาศาวกิเลสคือดับขั้นห้าได้ห็นดับกายได้ดับที่นี่แมันดับไม่ได้ก็ดูต่อไปอีกดูไปดูมาลมหายใจเบาลงเบาลงก็จะเกิดปิติขึ้นมานี่หมวดที่สองมีอยู่สี่ข้อเหมือนกันปิติปฏิสังเวที ภาษาบาลีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติดูไปดูมาเมื่อกลมเบาลงเบาลงจิตของเราจะเกิดชั่นเชื่นเบิกบานขึ้นมาเขาเรียกว่าปีติเมื่อปีติเกิดสุขก็ตามมาทันทีเลยมีความสุขความสบายเนี่ยเห็นรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติเมื่อหายใจเข้า หายแกออกนไงรู้อยู่อย่างนี้กันหนดรู้ปิติอย่างนี้มันเช่นชื่นเบิกบานมันมีความสุขอยู่อย่างนี้ปิติสุขไงเนี่ยรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติต่อไปก็จะเห็นสุขเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันก็รู้พร้อมซึ่งสุขเนี่ยปิติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวที ข้อที่สองหมวดที่สองอนี่สุขต่อไปแล้วก็จะเห็นที่ตีสุขนี่ไปประกอบกิจของเรากิจของเราก็เปลี่ยนเชื่อไหมว่ากิตตสังขาระปฏิสังเวทีเราก็เห็นกิจของเราเนืกคิดพุงแต่งกิจที่เนื้อคิดปรุงแต่งเพราะความสุข ขพอไปติสุขไปประกอบจิตจิตยังมีความนึกคิดพวงเตี่ยท่านก็รู้เฉพาะซึ่งจิตตสังขารจิตตสังขารปฏิสังเวทีเนะี่ยข้อที่สามปัสจสมบยังจิตแต ส, สังขาลังทํากายท่านจิตสังขารให้ระงับลงจิตสังขารก็คือเวทนานี่เองคือสุข คือปีตินี่ไปประกอบกกจิตจิตจึงเรียกชื่อว่าเวทนาเข้าใจไหมปีติสุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาเข้าไปผสมจิตจิตจึงเรียกว่ากิตตะสังขาระปฏิสังเวทีจิตของเรายเป็นจิตปลอมแล้วเกศศิกแล้วทําไปประกอบจิตใหม่คือสุข ปีติสุขเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารจิตขึ้นมาจิตจะสังขารละปฏิสั่งเวทีปัจจัมพยังจิตจะสังขาหลังทําจิตสังขารให้ระงับเมื่อหายใจเข้าหายใจออกทําให้มันระงับดับลงหายใจเข้าก็ให้มันระงับดับลงหายใจออกก็ให้มันระงับดับลงเมื่อนมนึกคิดปรุงแต่งจิตสังขาร เวทนาดับลงกิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านี้เองหมวดที่สองสี่ข้อปัดซ้พยังกิจตะสั้งค่าหลังทำกิจตะสังขารให้ระงับดับลงนี่สองหมวดแล้วเป็นวิธีทำกิจให้สงบเราก็เห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนา เกิดขึ้นแล้วจังอยู่ดับไปเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็จั่งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจึงว่าเวทนาสักว่าเวทนาเฉยๆไม่ใช่ สัตบุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเป็นเที่ยงไหมล่ะ<ม>ฮะเกิดดับมันเที่ยงไหมเวทานา<ม>ตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีตัวตนสัตบุคคลอยู่ในนั้นเราจึงถอนความยินดียินรายออกจากโลกเสียได้ออกจากขันห้าห้า ถอนออกจากโลกจะได้กิจก็สิ้นอาสวัยกิเลสกิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านว่างสว่างสวัยเมื่อกิจจะสังขาญดับลงกิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าใจไหมสามหมวดนี้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาหมวดที่สามก็เห็นกิจในจิต เมื่อดับเวทนาลงก็เหลือั้แต่กิจกิตตปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิจกิดของเราเนี่ยเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆต่อไปก็อภิโมทยังกิตตันอภิปโมทยังกิดตัน ทำจิตให้ ล, ล, ลื่นลื่นเลิงเบิกบานอยู่นี่ข้อที่สองหมดที่สามเห็นจิตในจิตอภิปโมถ้าอยังจิตตังทำจิตให้ปาโมด ล, ล, ลื่นเลิงเบิกบานอยู่นี่สัมมาถ้าหังจิตตังเมื่อจิตลื่นเลิงเบิกบานอยู่ไม่มีอรารมณ์มาประกอบจิตจิตก็ ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมาทะหังกิจตังนี่สมาธินั่นเองทำกิตให้เป็นสมาธิรู้จิตเป็นสมาธิลมหายใจ ไ, ไม่มีกิตตั้งมั่นเป็นสมาธินี่จิตของเราก็จะปล่อยวางวิมโมโมจะยังจิจตังกิตจะวางอารมณ์ออก อดีตไม่มีอนาคตไม่มีปล่อยอารมณ์ออกหมดเแลือแต่ความรู้ว่างสว่างไว้ยอยู่คือเา่าก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่สามหมวดแรกเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรมนี่สติปัฏฐานสี เห็นทำไม่ทำทำในที่นี่คืออะไรเข้าใจบ้างไหมลูกทำลูกทำคืออะไรเฮ้ยพึ่งจะได้ยินยนี่เลยนะลมหายใจคือกายในเรียกว่าลูกทำกิจอาศัยในลมเรียกว่านามทำลูกทำนามทำนี่เห็นทำเห็นลูกทำนามทำนี้ เข้าใจไหมคือธรรมชาติลมหายใจนี่คือธรรมชาติเต็นลูกทานามทาคือลมให้ใหญ่เข้าใจไหมคือตัวเราคือวิญญาณหายใหญ่เข้าวิญญาณวิ่งเข้าไปก็เรียกว่าเราเกิดเข้าใจหรื อ, อยังอะไรคือเราฮะ ลมหายใจนี่แหละคือวิญญาณคือลมคือยานคือจิตคือใจคือขันละเอียดหายใจเข้าก็เรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมเราคือใครก็จิตนั่นแหละเนี่ยลมหายใจเนี่ยคือวิญญาณหายใจเข้าก็มันก็เข้าไปกับลม เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็แก่เป็นธรรมดาเอาม า, ม, ามีความตายเป็นธรรมดาเท่านี้ง่ายไหมละ่ะเห็นว่าเรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรมมมนธรมดามีความตายเมื่อมันออกมาวิญญาณออกมาจากร่างกายมันก็มาทิ้ง ซากศพเอาไว้วิญญาณไม่ได้หายไปนะลมหายไปใจไม่ได้หายไปเลยใจยังเหลืออยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยมาทิ้งซากศพไปนิดเดียวเท่านะั้นลมใหม่สูดเข้าไปอีกใจเราก็วิ่งเข้าไปกับลมอีกเข้าใจไหมละ่ะก็เรียกว่าเราเกิด วันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายอย่างนี้เห็นไหมเห็นเราเกิดเราแก่เราตายไหมเห็นไหมเข้าใจไหมมาฟังต้องจองไปด้วยวี่นายไปด้วยลมหายใจคือตัวเราเข้าใจไหมล่ะตัวเราก็คือวิญญาณตัวเราก็คือขันห้าลมก็คือกายในจิตอาจะในลมก็เรียกว่าใจ กายกับใจก็เรียกว่ารูปทมนามธรรมเห็นธรรมรูปทานามธรรมเกิดดับเกิดดับเที่ยงไหมเที่ยงยไหมแห ม, มคนไม่พูดด้วยแสดงไม่ฟัง น, นั่นไงนี่เรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วกวมมาตายไหมตายช่วงขนาดหนึ่งคณิกะมรรหนัง แล้วก็เกิดอีกอย่างนี้สืบอเนื่องเป็นสัน ต, ติอยู่อย่างนี้ตัวเราจึงไม่ตายเพราะวิญญาณวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เข้าไม่ออกล่ะฮะจะมานั่งฟังกันได้ไหมพูดหยอกกันได้ไหมฮะไม่ได้นะไม่พูดหยอกก้นนี้ก็นนี้ไม่ได้นะนะพูดๆอย่างนี้ก็วิญญาณไม่เข้าไม่ออกใช่ไหมนี่แหละ เห็นทมในทมลูกทมนามธรรมก็คือขันห้าคือลมหายใจเข้าใจไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเป็นวัฏจะกรสงสารอยู่อย่างนี้กลางคืนมันหมุนไหมฮะเกิดดับเกิดดับเกิดดับหมุนเป็นวัฏจะกรสงสารอยู่อย่างนี้นี่มันมีเท่านี้น่อยนี่เห็น ทำในทำลูกทำนาำทำคือลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังหมุนอยู่ตลอดอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนีเ่นทุกข์ขังหรืออยากทุกข์ไหมล่ะส่เนี่ยมันทุกข์กไหมเราวิญญาณได้อยู่เฉยๆไหมอยู่เฉยๆไหมไ ม, มันหมุนอยู่อย่างนี้นะ่ยเป็นสัตตติสืบต่อกันอยู่อย่างนี้ถ้ามันขาดว่าขาดตอนเราก็ตายแเราเอง นี่สัน ต, ติความต่อเนื่องสืบเนื่องกันใต้ชัว่วขณะเดียวก็เกิดอีกใต้ช่วงเดียวกเกิดอีกเกิดอีกนี่แหละเป็นอนิจจังเที่ยงไหมที่เนี่ยทุกขังมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับอยู่นี่มันเป็นอนิจจงเนี่ยมันเป็นจึงเป็นทุกขงังเข้าใจไหมถ้าไม่เที่ยงมันจะไม่ทุกข์นะนี่มันไม่เที่ยงมันเกิดไม่ดับอยู่เนี่ยจึงเป็นทุกข์เข้าใจไหม มองเห็นว่ามันทุกข์หรื อ, อยังได้อยู่ไหมเคนหนึ่งวันหนึ่งวิญญาณเราได้พักไหมได้พักไห ม, ไมไนอนหลับก็ไม่ได้พักนะตื่นขึ้นมันก็ไม่เห็นเข้าออกอยู่นี่นอนหลับมไม่เห็นตอนนั้นสติมันพักก็ไม่เห็นเข้าออกเห็นออกแต่มันก็เข้าออกอยู่เหมือนเดิมนี่แหละ เห็นธรรมในธรรมเห็นขันห้าคือรูปธรรมนามธรรมคือลมหายใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่มันเกิดดับอยู่นี่ลมหายใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเห็นธรรมในธรมรมก็เห็นอนิจจานุปัสสีเนี่ยข้อที่หนึง่ง ตามเห็นขันห้าเที่ยงไหมวิญญาณเที่ยงไหมเกิดดับอยู่นี่พระองค์จึงว่าอานิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังเข้าออกอนิจจานุปัสสีวิลาคานุปัสสีเห็นมันเกิดมันดับหมุนอยู่ตลอดอย่างไงจึงเบื่อไหนเบื่อหน่ายในความเกิดค้นใจ เบื่อหน่ายในคันหเบื่อหน่ในวิญญาณยูของมันเกิดมันทํางานอยู่อย่างนี้มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้จึงนิพพิธาเบื่อไหนเมื่อเบอื่อหนก็คลายความยินดีเรียกว่าวิลาคะอนิจจานุปัสีวิราคานุปัสีแปลว่าอะไรวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีพอใจไม่ ไม่ยินดีไม่พอใจในขันห้าแล้วมันเกิดมันใจในวิญญาณแล้วพึ่งพระอาศัยไม่ได้เพราะไม่เป็นเราจริงไม่เป็นขององเราจริงจริงมันเป็นธรรมชาติเราจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีเนี่ยนิวิลาคานุปสีก็แปลว่าคลายความยินดีตามเห็นความไม่เที่ยง ตามเห็นความไม่พอใจไม่ยินดีพอใจเมื่อหายใจเข้าหายใจออกก็เรียกว่าวิลาขานุปัสสีเห็นความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปตินิโรธานุปัสสีทีนี้นิโรธล้วก็จะดับลมให้ใจได้ดับขันห้าได้ดับวิญญาณได้วิญญาณ เป็นเราจริงไหมลมหายใจเป็นเราจริงไหมวินคือลมยานคือตัวรู้เนี่ยมันเกิดมันดับอยู่ไงเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่ไงจึงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถ้าใช่ของของเรามันคงอยู่ค้ำโลกได้ใช่ไหมไม่ให้มันตายมันจะตายไหมล่ะมันก็ตายอยู่ทุกขณะจิตนี่เกิดดับเกิดดับตายอยู่ไง เป็นอนิจจังทุกครั้งนาจ่าอย่างนี้จึงเห็นปัตินิสขานุปสัสสียานตัวที่สีในข้อที่สีสติปัฏฐานข้อที่สีเรียกว่าปัตินิสขานุปสัสสีตาเห็นความสลัดคืนมันเที่ยงไหมละ่ะ อนิจจังุแล้วต้องคืนคืนขันห้าให้กับให้กับธรรมชาติเสียให้กับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเสียนี่เห็นธรรมในธรรมจิตของเราก็หลุดพ้นจากขันห้าเพราะว่าเห็นขันห้าเห็นวิญญาณเป็นอะไร อนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้เราจึงสลัดหันห้าคืนให้กับอนิจจังเสียเข้าใจไหมทุกขังอนัตตาเสียโป่งอนิจจาเสียโป่งอนิจจังเสียได้ยินไหมล่ะโปงได้ไหมล่ะคืนให้อนิจจังเสีย จิตของเราก็หลุดพ้นจากไม่ยินดีไม่ยินลายนะั่นดับความยินดีลายในโลกออกเสียได้ธรรมานุปัสสนานี่ปฏิปทานเห็นธรรมในธรรมไม่มีอะไรเห็นธรรมในธรรมธรรมนี้ก็มีอยู่ธรรมไม่ใก็มีอยู่ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดดับอยู่ชิดของมันอยู่เช่นนี้เองไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเราจึงถอนอวิชชาโทมนัสสังออกจากขันห้าจะได้ออกจากโลกเสจะได้ก็สิ้นอาสวะกิเลสเท่านี้ส ต, ติปัฏฐานสีเมื่อผู้ใดจเจริญทำให้มากแล้วเนะี่ย จะเข้าถึงได้เป็นพลังหันภายในเจ็ดชาติเจ็ดปีไม่ใช่เจ็ดชาติเจ็ดปีเร็วกว่านี้อีกเจ็ดเดือนเร็วกว่านี้อีกเจ็ดวันเร็วกว่านี้อีกเจ็ดชั่วโมงเร็วกว่านี้อีกเจ็ดนาทีน่อยโห มีบารมีแก่ก้าเคยเคยปฏิบัติมาแล้วแต่ชาติก่อนมันตายก่อนมัจจุราชมาถึงก่อนแลยยังไม่ตัดฉลตุตามอาอุ่นองไปเพราะมาเกิดในชาตินี้พอได้ยินสติปัฏฐานสี่เท่านั้นเองเข้าใจปั๊บดับขันห้าได้เลยตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีสติปัฏฐานสี่ก็คือขันห้านั่นเอง ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองไม่อยู่ที่ไหนลมให้ใจนี่ก็คืออริยสัจสีเกิดดับก็เรียกว่าทุกข์เข้าใจไหมล่ะถ้าผู้ใดมาเิดนั่นถือมั่นว่าทันห้าเป็นเราเป็นของของเราวิญญาณเป็นเราเป็นของของเราก็เรียกว่าสมุทัยเท่านั้นผู้ใดรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นก็ละ ขันห้าได้ก็เรียกว่า น, นี่โลดเถนละสมุทัยได้ปัญญามาุธโเท่าทันก็เรียกว่ามรส ม, มาทิฏฐิเท่า น, น, นั้นนี่แหละสติปทานสีกายนุปัสนาปฏิปทานกายานุ ป, นปัตสีวิหะลติกายเยกายานัน่นที่เป็นภาษาบาลีกายเยกายานุปัตสีวิหะลติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเจอภิชาโทมณัตสังเห็นกายในกายพิจารณาเห็นกายในกายด้วยความเพียรอาตาปีแปลว่าความเพียรตบะบำเพ็ญตาบะบำเพ็ญความเพียรพิจารณาไข้ควรอยู่ก็เห็นว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั่นเท่านั้นเองแล้วก็เราจะมีสติสัมปชัโนสติสัมปชัญญะอภิชาโท ม, มานสังืดับอภิชาและโท ม, มนั้นออกจากโลกเสียได้ก็สิ้นอาสาวะกิเลสนี่มันไม่ยากอะไรเข้าังไหมก็คลมหายใจอันเดียวนี้เอง สติปันสี่เมื่อบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้โพชชงเจตถ้ามันดับตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ผ่านไปเป็นโพชชงเจตเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดชลูโพธชงเจตโพธชงโคสติสังาโตธรรมมานังวิจโยตถา วิญญปีติปัจจทิใช่ไหมครที่เราสวดอยู่นั่นสมาธุเ ป, ปกขโพจังขานโนีนาสัมมาสักขาตาภาวิดาภาพิตาหะรีกาตาทำให้มากจเจริญให้มากสังวัตติอภิญยายะก็จะได้ได้อภินยาขึ้นมาสังวัตติอภิญยายะนิพพานายะก็่ะถึงวันนิพพาน เท่านั้นเองโพอดชงก็ไม่มีอะไรพอดชงจิตเอาสติพอดชงโชสติสังขะโตเราก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่นีโพอดชงจิตในที่นี้เราอะไรเอาเอาอะไรเป็นอารมณ์เครื่องลูกของจิตอาณาปา น, าานาสติได้ยินไหมละ่ะ ยกจิตวิตกนั่น น, ะ, น, ะ, นะวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจฟังออกไหมมีไหมลมหายใจเข้าหรือออกเดี๋ยวนี้ถ้ามีไม่เดาเลยเนี่ยไม่เห็นเลยเนีน่ยไม่ได้วิตกเลยนั่นเนีน่ยวิตตกแปลว่ายกจิตไปรู้กับลมหายใจ รู้ว่าลมหายใจยาวสั้นออกยาวออกสั้นหยาบละเอียดวิตกก็คือยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเอาสติคุมจิตไปรู้กับลมหายใจเรียกว่าเรียกว่าโอ้ยวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเท่านี้โพดทรงเจต เอาสติคุมจิตไปรู้อยู่ลมหายใจก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้ทำแล้วเราได้เจริญแล้วเท่านี้เอาสติไปลและลกรู้อยู่ลมหายใจก็เรียกว่าโพชงสติสัมโพชงเราได้เจริญแล้วง่ายไหมละ่ะพอเอาเขาสติไปรู้ลมหายใจเท่านี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชง เราได้เจริญแล้วนี่วิตกก็อันเดียวกันวิจารณ์วิจารณ์กับวิจัยอันเดียวกันไหมเขาวิจารณ์มวยวิจารณ์นักกีฬาอวิจัยดูทีมนั้นเป็นไงทีมนี้เป็นไงนักมวยคนนี้เป็นไงสูงต่าเป็นไงหนาบางน้ําหนักเป็นไงอายุเป็นไงเขาวิจัยวิจารณ์อย่างนี้เข้าใจไหมแล้วก็วิจัยดูลมหายใจนี่แหละ ลมเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงเคยทำไหมยาวเกินไปมันเป็นยังไงไม่เคยทำเลยฮะไม่สบายฮะยาวเกินไปก็ไม่สบายถ้าสั้นเกินไปสบายไหมไม่นี่พิจารณ์ดูอย่างนี้นะ่อยอ่า ลมหยาบสบายหรือไม่สบายลมละเอียดนี่เราวิจารณ์วิจัยดูอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะวิจัยธรรมธรรมคือลมให้ใจธรรมะวิจยะสัมโพชฌงเราได้จเจริญแล้วเท่านี้นี่แหละสติสัมโพชฌงโพชฌงเจิด พูดชงโคสติสังคตโยยกเอาสติมาลึกยืดลมให้ใจก็เรียกว่าสติสัมโพ o o งแล้วได้เจริญแล้วเจริญไหมล่ะเด็กนึงเคยเจริญไหมวันนี้เจริญสักทีไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพิ่งจะรู้ตัวเป่าตอนมาพูดให้ฟังไม่ใช่ไหมเพิ่งจะมีสติมาแล้วลึกอยู่อ่อนนี่ถ้าเอาสติมาแล้วลึกลุ่มลมให้ใจเขาออกก็เรียกว่าสติสัมโพช o ง เราได้เจริญแล้วถ้าเรามันวิจัยดูลมหยาบล้มละเอียดล้มสั้นลเมยาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สบายหรือไม่สบายก็เรียกว่าธรรมวิจยะสมโพชงเราได้ทาแล้วได้เจริญแล้วเข้าใจไหมละ่ะวิธิยำทำอยู่อย่างนี้วิธียำไปว่าอะไรด้วยความเพียร วิริยมด้วยความเพียนเพียนดูเฝ้าดูเข้าออกยาวสัน้นยาบละเอียดอยู่นี่วิจตวิจารณ์อย่างนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นมาเท่านั้นก็เรียกว่าปีติสำโพชงเราได้กระทำแล้วเกิดความเช่มเชื่นเบิกบานขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเรียกว่าปีติสุขเกิดเข้าใจไหมล่ะวิริยมปีติ ปฏิสัทธิดูไปดูมาปฏิสัทธิแปลว่ากายกายละงับจิตระงับกายคืออะไร <c oughs> เราวิจารณ์อะไรเดี๋ยวเนี้ <c oughs> โอ้ยหรือวิจารณ์ไปวิจารณ์มาเกิดปิติเกิดปิติสุขขึ้นมากายละงับคือลมหายใจละงับ จิตละงับลมกับใจคือขันห้าใช่ไหมขันห้าก็ดับลงอันเดียวกันเข้าใจไห ม, มปัิสัทธิแปลว่ากายละงับจิตลงับวิริยมปีติปัิสัทธิกายลงับจิตลงับพอขันห้าดับลงใกล้กับจิตคือด้วยยากไหมคือขัน 5, ห้าลมหายใจคือกายจิตอาศัยลมคือใจ กายกับใจก็แค่รูปทำนามธรรมคือขั้นห้าปัจจัตติก็คือกายละ ง, งับจิตระ ง, งับคือขั้นห้าดับลงเข้าใจไหมวิริยมปีติปัจจัตติพอขั้นห้าดับลงจิตก็สมาธุเปกขพโคชังคาจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิง่ายไหมละ่ะฮะก็จะมี อุเบกขาเปกขาแปลว่าอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชงสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รูู้อยู่เฉยๆเรียกว่าสมาทุเปกขโพชังขานะมุนีนามุนีนาสัมมาทักขาตามุนีคือพระพุทธเจ้าทำอยู่ตอนนั้นเขา้าใจไหม จเจริญอยู่ตอนนั้นพระวิตาพระมุรีกต์ตาทำให้มากจเจริญให้มากพระองค์จึงได้สังวัตติอภินยาญาจึงได้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อภินยาสามขึ้นมาอภินยาญาได้ปัญญาได้อภินยาขึ้นมาจุตูป ป, ปาตญาบุเพนิวาสานุสตญ า, าได้เย็นไหมเนี่ย อาพิญญาสามยานสามนี่ลานในลึกชาติหนลังได้บุเพนิวาสานุสยานก็เกิดในยานตน้นต่อไปในเที่ยงคืนก็เกิดจุตูปบาแต่ยานยานที่สองขึ้นมาปชิมมายานก็เลยอาสาวัขยายานขึ้นมานี่ได้อภินยายะ เข้าใจไหมอภินยาสามได้อส า, าวัคค ย, ยาญาณญาณสิ้นไปแห่งอส า, าวะกิเลสพระองค์ก็รู้ว่าอส า, าวะคืออะไรแต่ได้ไหมฮะคือกิเลสคือสังโยชน์คือกิเลสกับความโลภของโกรธควาหลงเป็นอันเดียวกันไหมล่ะฮะ นี่มันโลภจะได้อะไรต้องรู้จากอาสวะเ่เหตุเกิดอาสวะเหตุเกิดอาสวะคืออะไรกิลเลสเกิดก็คืออาสวะมีอะไรกามาสวะภาวาสวะอวิชาสวะเนี่เคยได้ยินไหมล่ะ การ ม, มาสภาว ะ, ะก็นั่งอย่างนี AU ้ลูกเสียงจินรดเนี่ยลูกคนเสียงคนนี่ยที่มันมาติดอยู่ในนี่ลูกหมาเสียงหมาไม่ไม่ติดไม่ติดดอกก็ติดอยู่ี่ลูกผัวลูกเมียลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใช่ไหมล่ะลูกคนเสียงคนนี่แหละเสียงผู้ชายด้วยกันไม่ทะรลาะหอกถ้าเสียงผู้หญิงผู้ชายชอบเลย ผู้หญิงก็เหมือนกันเสียงผู้หญิงเหมือนกันไม่ไม่อยากฟังใช่ไหมถ้าเสียงผู้ชายนี่ยอ๋อใครนี่เรียกว่ากาาสะวะภาวาสะวะก็คือทาจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอยากได้พบนั่นภูมินี่เรียกภาวาสะวะสุดท้ายก็อวิชาสะวะนี่อาสะวะมีอยู่สามอย่างกามาสะวะ ภาวาสวะและแหมเพิ่งจะได้ยินนี่หนออวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชานี่เมือ่อได้อาสาวะขยานก็ยานสิ้นไปเหงอาสาวะกิเลสดับอาสาวะทั้งหลายก็ไปรวมอยู่ที่อวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาสวะ อวิชชาเกิดกิเลสเกิดอาสวะเกิดอวิชชาดับกิเลสจะมีไหมไม่รู้จริงเหรอฮะ อ, อวิชชามันคือใครฮะคือความไม่รู้มันไม่รู้อะไรโหมความจริงคืออะไรโหม เดี๋ยวมันจะไปแล้วนี่นี่แหละไม่รู้ความจริงความจริงคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไปเห็นผิดเห็นว่าขันห้าเป็นเราอยู่เห็นถูกก็เห็นผิดขันห้ามีไหมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมีไหมไม่มี แต่เราไม่เห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าอยู่จึงเป็นมิจฉาทิฐิเท่านี้เองไม่มีอะไรนี่ก็เกิดจากลมหายใจนี่เองไม่มีอะไรเห็นธรรมในธรรมโพชฌงกตเนี่ยเมื่อสติปัสฐานสี่เจริญให้มากทำให้มากแล้วย่อมได้โพชฌง็ดขึ้นมาสุดท้ายก็ได้อะไร พูดชงข้อสุดท้ายฮะฮะสมาทุเปกกับพูดชังขาอุเบกขานี่ยพูดชมงโอที่เก็บตายเห็นรูปอุเบกขาได้ไหมโอ้ยได้ยินเสียงอุเบกขาได้ไหมใช่หรอือ <laughs> เห็นเงินไหลๆไม่ได้็ดได้อยู่เลย อ, อุเบกขาได้ไหมล่ะ <laughs> อุเบกขาได้ไหมนี่อุเบกขาโพชงโคแล้วก็ได้อภินยาสามเข้าใจยนะบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปบาตยญาณอาสาวัคยานแล้วก็ได้ญาณสิ้นไปแห่งอาสาวิกเลสเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองนี่แหละอานาปานสติ พอเข้าใจไหมล่ะหากบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เกโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ไงจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาชาวิกิเลสก็เข้าสู่พระพ า, น, านั่นเองอ้าวสติปัฏฐานสี่กลับลมให้ใจอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอานาปานสติแบ่งออกเป็นสิบหกข้อ แยกออกข้อและสี่หมวดหมวดและสี่ข้อ4ี่ีสิบหกเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกิจในกิจเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นลมหายใจนั่นเองเข้าใจไหมล่ะอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกไปตามอ่าสัญญาที่ปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอะไร ถ้าใครเดินทางไปตามอาณาปานสติขั้วใหญ่ของธรรมผู้นั้นก็จะสิ้นอาสาวัคค ย, ยาญาณเข้าใจไหมญาณสิ้นไปแห่งอาสาวเจเจเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเราก็ดับขันห้าสร้างวัฏตฏติอภิญญายะนั้นได้อภิญญาสาม แล้วก็ได้ญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พายในพานานิพานไม่ใช่ตายไปจะไปนะต้องเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายดับกิเลสก็ดับตั้งแต่เรายังไม่ตายนี่ลูกเสียงปรินรถพุทธะที่ มันเกินกิเลสอย่างหยาบนึงแล้วก็เอาศีลมาฆ่าออกได้ยินไหมศีลฆ่ากิเลสอย่างหยาบคือโลกโกโลงโลกยังได้รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองรูปอะไรก็ตามในโลกนี่เสียงอะไรก็ตามกลิ่นอะไรก็ตามรสอะไรก็ตามนี่เนี่ยตามมาสว่นี่อาสวะานเนี่ ย, ยคือการเนี่เอาศีลฆ่าออก เข้าใจไหมดับด้วยศีลกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางดับด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดดับด้วยปัญญาโลกุตระปัญญาเราก็ดับขันห้าได้สิ้นอาสาวะกิเลสขันห้าในที่นี้คือที่พูดวันนี้คือขันละเอียด คือขันในคือลมหายใจให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติมันมีแค่นี้ย่อลงมาก็คืออานาปานสติเท่านี้ถ้าเราเอาสติมาแล้ื้อยลมหายใจอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันก็จะเกิดปิติสุขเอกขตารลมได พขาใจไมดับขันห้าได้ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่วิตกเคยวิตกไหมล่ะฮะแน่ไม่รู้จักวิตกแล้วยกจิตเอาจิตเข้าไปรู้ยมหายใจนั่นแหละบ้านเราก็เอาจิตไปรู้อยู่ลมหายใจพระองค์ก็เรียกว่าวิตกเข้าใจไหม ไปตึกไปนึกไปรู้อยู่ลมหายใจก็เรียกวิตกวิจาร์ก็วิ่งเกินลมยาวลมสัน้นลมหยาบล้นละเอียดวิตกวิจารวิจาร์ดูอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดปีติสุขเอกัดคัดใลมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นผู้รู้รู้อยู่เท่านั้นเอง ออุเบกขารู้อยู่เฉยๆอุเบกขาเอกคัดาลมหนึ่งลุยอยู่เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินลายเหตุเพียงเท่านี้ก็คือพระ น, นิพพานท่านตายเห็นลูกก็อยู่ในอุเบกขาได้ไหมล่ะฮ้ยเห็นเงินเขาหล่นลงมาอุเบกขาได้ไหมอุเบกขาเอกขัดดาลมยู้อยู่เฉยๆสมัยหนึ่ง้มีสิ่งแปลกประหลาดนะ่ะใบบินระบาดอยู่ท่าพระปู่เนี่ย ยอมคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งพวดไปเงินมันปิ u ออกไปข้างหน้าลองตาไปตอนนั้นกำลังพิจารณาอุเบกขาอยู่ปิ u ลงมาจากกระเป๋าเสื้อนี่มันไม่รู้ออกมาอย่างไงนะมันมาทำทดสอบอุเบกขาถ้าไปจับเราก็คิดว่าถ้าไปจับเอาก็เป็นอาบัตจับเงินเป็นอาบัตเราก็เป็นอาบัตปลายตตี เงินก็เป็นนิตสกีต้องสลัดทิ้งไม่รู้จะอาไปทําไมเงินก็ไม่ใช่เงินเราเราก็คิดไปมันเป็นเงินเขาไหมไม่ใช่เงินใช่เงินเขาไหมเปลี่ยวแกะกะระเป๋าแล้วก็เย็นส ก, กียู่แป๊ดหนึ่งได้สตีขึ้นมาไม่เอาไปเฉยพระองค์ที่หลังมาหลวงตาิ ล, าลีเป็นบ้าเเห็นเงินก็ไม่เอาเงินว่า เรากำลังอยู่ในอุเบกขามันจะวางได้ไหมไม่ใช่ของเราจิตมันก็บอกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเขาก็เอาไปไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ของเขาเลยหลดจากกระเป๋าขเขาท <c oughs> กอย่างไม่มีของเราไม่มีของเขาเป็นทรัพย์สมบัติของโลกเฉยๆเอาไปามาก็ผุพันลงไปเป็นโลกเป็นดิน เ, เก่าแม้ น, นั้นเราก็ไม่เอาเพร พวกตามหลังมาทําไมให้เงินเขาเปลี่ยวออกนึงยืนดูแป๊บเดียวกห <c oughs> รอเดินนี้ไปทำไมไม่เอาเน่ะเอาไปแล้วไหมเอาไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเร า, ข เ, ราเขานะ่ะมีแต่คนตายนิจกักเอาไปแล้วไปตายนิจจ์ขึ้นเก่าใช้ไปเป็นของคนเป็นคนอื่ก็ใช้ไปใช้ไปเขาเรียกชนันอับดใช่ไหมล่ะมันก็หมุนไปมันมา าวันนี้ก็พูดให้ฟังอุเบกขาเอกัดข้าตาลมเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงให้อยู่ในอุเบกขาได้ไหมเอกัดข้าตาลมรู้อยู่เฉยๆไม่ยินดียินไา่เหตุเพียงเท่านี้คือพระนิพพาน